อในยุคแรกๆนั้นพระภิกษุไม่มีไม่ไม่ได้รับผ้าจากญาติโยมโดยตรงญาติโยมจะทำบุญแต่ใสบ่บางหรือสร้างที่อยู่อาศัยแต่ผ้านี้เป็นธรรมเนียมของของพระที่จะไปเก็บผ้าที่ทิ้งแล้วที่เรียวกว่าผ้าบางสกุลผ้าหอศพผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้า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 ตาสาวะพักเนี่ยก็ได้มาจากน้ําสีน้ําของแก่นไม้ซึ่งในสมัยนี้ทานสายผ้าป่าเราก็ยังใช้การซักย้อมผ้าด้วยแก่นไม้ใช้ผ้าใช้แก่นขนุนแก่นของต้นขนุ่นนี่มันจะออกสีเหมือ เ, เอามาต้มมาเคี่ยวมันแล้วก็เอาผ้าที่จะซักจะย้อมนี่ใส่เข้าไปในน้ํา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 ที่จะไปหาผ้ามันก็ไม่มีแล้วขาดผ้ากันพระพุทธเจ้าก็เลยก็เห็นว่าญาติโยมก็ไม่ไม่ถวายกันก็เลยบอกว่าถอยผ้าจะได้บุญมากนะจะได้ประโยชน์มากเพราะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนตอนนี้ผ้าพิกษสุขาดแคลนผ้าธรรมธ า, พ, าพระพระพุทธเจ้าจะไม่ขอจะไม่บอกจะปล่อยให้ให้เป็นไปตามตามนี้ตามเกิด ตามอัธยาศัยของผู้ให้แต่ที่นี้มันมันขาดแคลนจริงๆมันเดือดร้อนจริงๆ mm hmm. มีคนมาบวชมากขึ้นมากขึ้นแต่ผ้าที่จะห่มมันไม่มีกันก mm ็ hmm. ลเลยทรงตัดบอกว่าต่อไปนี้ถ้าอยากจะถวายผ้าก็ถวายได้นะ mm hmm. แต่ให้มันมีประมาณ mm hmm. เดี๋ยวบอกให้ถวายก็จะถวายกันเป็นแบบก็บเป็นโกดังเป็นอะไรขึ้นมาอีกก็เ mm hmm. ลยมี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 ไม่ต้องมาคอยรับผ้าทั้งปีเดี๋ยวก่อยคนนั้นอยากจะถวาย mm hmm. เดือนนู mm ้น hmm. เดือนนี้ก็ต้องมาคอยอจัดพิธีทําพิธีกัน mm hmm. ก็เลยอนุญาตให้เพียงเดือนเดียวแล้ววัดอย่างนี้ก็รับได้ครั้งเดียวแล้วต้องมีพระอยู่จำพรรษาอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไป mm hmm. ผ้าก็ต้องเป็นผ้าขาวผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวร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 เป็นผ้าสำเร็จรูปสวมใส่ได้เลยผ้าบางรูปก็จะไม่รู้จักวิธีตัดเย็บที่อ่อนแต่ทางสายผ้าป่านี้ท่านจะคงทำเนียมตัดเย็บผ้าของตนเองจะเอาลับผ้าขาวมาแล้วก็มาหัดตัดเย็บกันอันนี้ที่เป็นเป็นบุญมากเป็นประโยชน์ก็เพราะเป็นประโยชน์มากเพราะมันขาดแคลนมาก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 ทางชาวชาวไทยเราก็เลยถือเป็นบุญใหญ่ประจําปีว่าทาได้เพียงครั้งเดียวทุกคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่บุญนี้กันพ อ, อถึงปีหนึ่งมีงานทอดกระถินก็ช่วยเลี่ยไรลอยจากกันเออคิดว่าได้บุญมากแต่ความจริงทําบุญอย่างอื่นก็ทําบุญตามปกติก็ได้บุญเหมือนกันมากน้อยก็อยู่ที่ ปริมาณเงินที่เราหรือข้าของเงินทองทิ่งที่เราไม่อยู่ที่เราบริจากไปเสียสละไปอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของเรื่องของการถวายผ้ากรถินทีนี้ผ้ากรถินมันก็มีราคาไม่กีดตางใช่ไหมที่ญาิโยมอยากจะถวายมากเพราะจะได้เอามาบำรุงทานุ บ, บำรุงบุญะ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 ทรา์เป็นเรื่องสำคัญกว่าเวลาถวายเสร็จก็จะดูะยอดเงินว่า<ม>บริจากันเท่าไหร่แต่ความจริงหัวใจของการถวายกระถิ่นนี่ก็คือผ้าเพื่อให้พระมีผ้าได้นุ่งห่มกันแต่ทีนี้มีการถวายผ้ากันทั้งปีใครอยากจะทำบุญบางทีก็ซื้อผ้าไต่มาถวายกันผ้าก็เลยมีกันมากจน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 เอาหอศพแล้วทิ้งไว้ในในป่าปล่อยให้มันผุเปื่อยไปให้เป็นอาหารของแรงของกาไปทำไมนี้เราก็เลยมินิมถต่อายผ้าในงานงานศพกันก็เป็นเหมือนผ้าหอ่อศพเพียงแต่ว่าไม่ได้หอ่อศพตั้งไว้ที่หน้าโรงศพแล้วใผ้พระ็ปชักผ้าบางสกุล ผ้าบางสกุลก็คือผ้าห่อศพหรือผ้าป่าอาที่ทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าบางสกุลแปลว่าพระเราเรียกก็ผ้าป่ากันพระท่านก็ไปชักบางสกุลแล้วท่านก็จะพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายที่ท่านกล่าวว่าอนิจจาวัสังขาราสังขารทั้งหลายเช่นร่างกายนี้ไม่เที่ยงเนอะอุปัตตวา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 ตรงนี้ใจออกจากร่างกายด้วยการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธินี่ใจจะสงบใจจะแยกใจจะปล่อยวางร่างกายชั่อข่าวตอนนั้นใจจะไม่รับเรื่องของร่างกายเลยเรื่องสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่จะหยุดเพราะจิตที่กระแสะจิตที่ส่งไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ถูกดึงเข้าข้างในดึงออกจากร่างกายชั่วข่าว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 อวกาศนี้มันอยู่ของมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นไม่มีใครไปทำลายมันได้ความว่างที่เราอยู่เนี่ยที่พื้นที่ที่เราตั้งอยู่นี่มันเราเรียกว่าอวกาศนอันนี้มันมีอยู่ของมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมจิตผู้รู้ผู้คิดก็แบบเดียวกันไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีเจริญไม่มีเสื่อม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 พอมีร่างกายเราอยากจะดูอะไรล้วก็พาร่างกายไปดูอยากจะฟังอะไรก็พาร่างกายไปฟังอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เราก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายกันทีนี้มันเป็นความสุขแบบยาวเสพติดมันสุขเดียวเดียวสุขชั่วคราวเวลาได้เสพก็สุขพอผ่านไปปั๊บเดียวมันก็หายแล้วก็เ ก, กิดความอยากเสพขึ้นมาใหม่ ก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆติดเป็นยาเสพติดไปเวลาไม่ได้เสพก็ทุกเวลาร่างกายไม่สามารถทาหน้าที่ได้ก็ทุ ก, กันเวลาร่างกายไม่สบายเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายตายนี่มันไม่สามารถทาหน้าที่ตอบสนองความอยากของเราได้ความอยากความต้องการของเราได้เราก็เลยทุกเหมือนคนติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพยาก็จะทุกกัน คนติดบุหรี่เวลาไม่ได้สูบบุหรี่ก็ทุกข์กันคนติดสุราเวลาไม่ได้ดื่มสุราก็ทุกข์กันคนติดละครไม่ได้ดูละครก็ทุกข์กันคนติดเที่ยวเวลาไม่ได้เที่ยวก็ทุกข์กันเราหาความสุขแบบผิดเป็นความสุขที่จะต้องจบด้วยความทุกข์เสมอตบท้ายด้วยความทุกข์เราจึงพยายามเสพอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่ให้มันทุกข์ ่มันมีขอบเขตของมันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีขอบเขต ร, ร่างกายเราก็มีขอบเขตสิ่งที่เราเสพมันก็มีขอบเขตบางทีได้มาแล้วมันก็หมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะเกิดใหม่ก็ต้องหยุดความอยากนี้ไม่ไม่ทำตามความอยากเลิก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 ไปดูมอหาล์ลสบบันเทออะไรไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมอันนี้ก็เป็นการหาความสุขทางร่างกายกันตังตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไม่นอนมากจนเกินไปนอนพอละพอประมาณพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็ต้องนอนบนบนบนพื้นที่ไม่ค่อยสบายถ้านอนบนเตียงบนพื้นที่มันนุ่มมันหนา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 ปัญญาทําลายความอยากหมดก็จะไม่มีอะไรมาสร้างวาความวุ่นวายใจใจที่ไม่มีความอยากกับใจที่มีความอยากต่างกันเวลาเราอยากกับไม่อยากนี่เป็นไงเวลาไม่อยากไปไหนอยู่บ้านสบายไหมแต่พเราอยากออกไปนี่อยู่บ้านไม่ได้ในชะ่ไหมวุ่นวยายแล้วนั่นแหละงั้นถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะอยู่บ้านต่อไปได้วิธีหยุดกันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือกัน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 ไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปทํางานไปเป็นลูกน้องเขาให้เขาสั่งเราให้เขาด่าเราว่าเราเราเป็นเจ้านายของเราเองอยู่บ้านถ้าทำก็ทำเพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออันนี้จำเป็นต้องมี ต, งมต้องมีอาหารมีปัจจัยสี่แต่มันไม่มากทำอาทิตย์ละวันก็พอแล่วปีละเดือนนี้ก็เหลือเฟือแล้วทงานอาชีพอิสระก็ได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุข ไม่ต้องไปดิดน้นรนต้องไปแข่งแย่งกันวเวลาออกไปหาความสุขข้างนอกก็ไปแข่งแย่งกันไปเข้าคิวกันไปดูภาพยนตร์ไปเข้าอะไรต้อง ย, ยืนเข้าคิวกันขับรถก็ต้องไปแข่งกันแย่งกันวนท้องถนนมีแต่เรื่องแก่งแย่งกันเนั้นพอออกจากบ้านแทนที่จะมีความสุขกลับไปเคียดกันบนท้องถนน ั่งทีก็ด่ากันในใจไม่้บางคนทนไม่ไว้ด่าทางปากเดีวก็ตีกันเนี่ยเราไปหาความทุกข์กันไม่ใช่ไปหาความสุขกันวิธีหาความสุขต้องหาแบบพระพุทธเจ้าคือเราต้องมาถือศีลกันถือศีลแปดกันห้ามใจห้ามตัวเราไปใช้ร่างกายไปหาความสุขเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรม จากการจเจริญสติสติพอมีสติแล้วนั่งสมาธิก็จะสงบสงบก็มีความสุขแล้วถ้ามีปัญญาพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญารักษาความสุขไว้ด้วยการทำลายความอยากทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาท่นี้เราก็จะมีความสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตาย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 แต่มาเรียนวิชาที่ไม่มีโรงเรียนในโลกนี้สอนกันก็คือวิชาธรทำวิชาที่จะทําให้เราได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เรากําลังหากันอยู่ในขณะนี้ก็ เ, เป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตบท้ายเสมอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่ก็เป็นเวลาตบท้ายของความสุขของทางร่างกายกันจึงไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายกัน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 ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายอีกต่อไปพระพุทธเจ้าหลังจากที่ร่างกายของท่านตายไปแล้วท่านก็ไม่มีร่างกายอไแล้วแต่ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่แบบไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์อยู่กับความสงบไปตลอดจเจรยกว่านิพพานนิพพานบาลนิบานบานานงปรามังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพาน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 ก็ยังอยากกันอยู่ยังมีความอยากก็เลยต้องทุกข์พอเวลาไม่ได้ดังใจยอยากก็ทุกข์หรือได้แล้วพอมันหมดไปก็ทุกข์อีกแต่คนที่ไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดใจของพวกเราต่างนะใจของพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าเรายังต้องหาร่างกายต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขอยู่เรื่อยๆแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องหาอะไรแล้วมีความสงบเป็น สิ่งที่ให้ความสุขแทนก็เลยสบายอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็มีท่า น, นี้แหละเรื่องชีวิตของพวกเราถ้าเราอยากจะพบกับความสุขถาวรไม่ต้องมาเวือนว่ายตายเกิดซ้าแล้วซ้าอีกอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในตอนนี้ก็ต้องเนี่ยต้องถือศีลกันยุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วก็มาควบคุมใจให้สงบ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 ได้เพียงแต่บุญที่จะเกิดจากการบริจาคทรัพย์เสียทรัพย์ไปเท่านั้นเองแต่เป็นเป็นบุญส่วนย่อยถ้าเป็นเงินก็เป็นเหมือนเหรียญเงินเหรียญเียบาทเหรียญห้าเหรียญสิบอะไรนี่แต่จะไม่มีวันได้แบงค์ร้อยแบงค์ห้า้อยแบงค์พันกันถ้าอยากจะได้แบงค์พันนี้ต้องฟังเทศฟังธรรมจะได้บุญเยอะพอจะได้รู้จักวิธีไปปฏิบัติ ปฏิบัติเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงฉนั้นพยายามเข้าหาธรรมเถิดไม่มีอะไรจะมีคุณค่ากับธรรมของพระพุทธเจ้าจะได้ธรรมก็ต้องศึกษาก่อนวิธีว่าธรรมจะได้ธรรมนี้ทําอย่างไรก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้วิธีอย่างวันนี้ก็รู้แบบสังเขปหรือว่าต้องรักษาศีลหรือว่าต้องไป ไปอยู่ที่เงียบที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงว่ามันจะมายั่วยวนกนใจจะทำให้ใจสงบยากก็ไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาไปที่สงบแล้วก็ไปฝึกสติสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติง่ายๆก็คือให้เราลึกถึงพุทโธไปให้ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถ้าพุทโธได้มันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้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 เดินในป่ามันมีงูมันมีอะไรมันจะไม่เดินแบบใจลอยมันจะคอยเดินดูที่เท้าเนี่ยจะไปเหยียบอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีสติขึ้นมาเนพระคนที่ปฏิบัติได้ผลอยางส่วนให ญ, ญ่จึงต้องไ ป, ปจะอยู่ในป่าในเขาอยู่ในที่มีภัยรอบด้านมันจะทำให้เราละมัดระวังไม่ใจลอยจะมีสติคอยควบคุม การกระทําของร่างกายจะอยู่กับการกระทําของร่างกายอย่างต่อเนื่องถ้าเราอยากจะมีสติก็เฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปในทุกอิริยาบทในทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทําทําอะไรก็ให้รู้ว่ากําลังทํำอะไรอยู่กําลังอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้าแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งตัวรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารขับรถก็อยู่กับการขับรถอย่าไปอยู่ที่อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว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 ต้องไปปฏิบัติถึงจะได้ถ้าเพียงแต่ศึกษาอย่างเดียวยังไม่ปฏิบัติก็ยังจะไม่ได้แล้วการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแบบถูกต้องต้องเจริญสติจริงๆต้องอย่าให้ใจายไปคิดอะไรให้อยู่กับพุโทโธไปให้อยู่กับร่างกายไปเราจะได้ผลเร็วต้องพยายามทำอย่างต่อเนื่องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเนื่องการเจริญสตินี่เราสามารถทาควบคู่ไปกับภารกิจการงานได้ แต่ว่าถ้าเป็นภารกิจการงานที่ต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็ต้องหยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็ให้มีสติอยู่กับความคิดการงานไปแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องคิดได้จะดีกว่าเป็นงานของพระนี่ไม่ค่อยต้องคิดการงานปัดกวาดถูสาราล้างบาทเช็ดบาททำอะไรนี่ไม่ต้องใช้ความคิดมากมีสติได้ง่ายกว่าตั้งสติได้ดีกว่าหยุดความคิดได้ง่ายกว่า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 ทำงานทางโลกกับทํางานทางธรรมนี่มันจะขัดกันงานทางโลกนี่ต้องใช้ความคิดมากงานทางธรรมนี่ต้องการหยุดความคิดถ้าอยากจะได้ผลทางธรรมก็เลยต้องหยุดงานทางโลกไปถ้าทําทั้งสองอย่างมันก็จะปนกันมันก็จะเดินหน้าสองก้าวถอยหลังสองก้าวมันก็จะไม่คืบหน้าญาตโยมที่ปฏิบัติธรรมกันมาเป็น10บสิบปีไม่ไปไหนสักก็อยู่ที่เดิม พ่ามันทำงานสองอย่างที่มันขัดกันแต่คนที่มาบวชมาปฏิบัตินี่บรรลุมรรคผลนิพพานกันหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายนี่ท่านกลายเป็นพระสาวกันเพราะท่านทำงานอย่างเดียวทำงานทางทรรอย่างเดียวท่านคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดแล้วก็พอหยุดได้ก็สอนให้คิดไปในทางปัญญาสอนให้คิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอยาไปอยากได้ ได้มาแล้วจะทุกข์เพราะมันจะหายมันจะหมดไปจะจากเราไปเวลามันจากเราไปเราเสียอกเสียใจแล้วก็หาใหม่หาใหม่ก็หมดไปอีกแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าก็ตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้แล้วก็สบายไพอม่มีความอยากแล้วก็จบงานปฏิบัติธรรมมีวันสิ้นสุด สิ้นสุดตรงที่ความอยากไม่มีแล้วความโลภความโกรธความหลงไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วก็จะไม่มีอะไรมารบกวรใจมาทาั้งสร้างความวุ่นวายให้กับใจใจก็จะอยู่อย่างสบายไปตลอดเป็นนิพพานไปนิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่นะเป็นสถานะของจิตจิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงแม้แต่สวรรค์ชั้นต่างๆก็ไม่เป็นสถานที่นะมันเป็นสถานภาพของจิต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 มันเพียงแตเป็ีนสถานภาพในจิตไปถ้าทําจิตให้เย็นสงบก็เป็นสวรรค์ไปถ้าทําจิตให้ฟุ้งให้เครียดยก็เป็นนรกไปเวลาโกรธเกลียดขยัเครียดแค้นอาฆาตตายบาสนี่มันเป็นนรกทั้งเป็นน่ะตกนรกทั้งเป็นเลยเมื่อรู้เสกตัวขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเนี่ยวันนี้มาถอยพรุ่งนี้ถ้อยกระถิน่นมีใจมีความสุขก็ได้ขึ้นสวรรค์กันละแต่สวรรค์ดีวเดียว เดี๋ยวความอยากโผมาก็ดึงไปนรกกันอีงนะดึงไปเครียดกับเรื่องราวต่างๆเอกถ้าไม่อยากจะไปนรกก็ต้องตัดความอยากตัดความโลภความโลภความอยากเนี่ยเป็นตัวที่ดึงให้เราไปนรกกันดึงให้เราไปเครียดไปทุกข์กันเั็นต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติกันจะปฏิบัติก็ต้องสละความสุขที่มีอยู่ในขณะนี้ไปไปอยู่แบบแบบคนที่ไม่มีความสุข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 วันหยุดทำงานอันนี้จะเป็นวันพระจะไม่ไปทํากิจกรรมทางร่างกายจะไปทํากิจกรรมทางใจจะไปถือศีลแปดกันถ้าไปวัดไม่ได้ก็ทําที่บ้านก็ได้ทาที่บ้านมันอาจจะยากถ้าอยู่กับคนอื่นคนอื่นเขาไม่ทําเดี๋ยวเขาก็มาทําให้สติเราแตกได้ศีลขาดได้เดี๋ยวเขาก็เปิดทีวีดูเดี๋ยวก็กินข้าวเย็นกัน พอเราเห็นเดียวทนไม่ไหวก็ไปร่วมกับเขาแต่ถ้าไปอยู่วัดได้มันก็ไม่มีใครมาทําสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้รักษาศีลได้ง่ายนั่งสมาธิได้ง่ายแต่ต้องทำทำจากน้อยไปหามากก่อนพยายามเอาอาทิตย์ละวันก่อนนะพอได้วันนะอาจจะเพิ่มเป็นสองวันสวันเดือวช่วงไหนมีวันหยุดยาวก็ไปปฏิบัติกันอย่าไปเที่ยวกันเที่ยวไปแล้วมันก็หมดไปผ่านไป แล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจนอกจากความอยากเที่ยวต่อแต่ถ้าไปปฏิบัติความอิน ม, มันจะอยู่กับใจไปเรื่อยๆความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะทำให้เลิกการทำาทำความสุขแบบอื่นได้เมื่อได้พบได้รับความสุขใหม่ที่ดีกว่าก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นแล้วต่อไปก็อาจจะไปบวชไปอยู่วัดอย่างท้าวลเลยก็ได้ คนทุกที่อยู่วัดกันทุกวันนี้ก็เริ่มต้นเขาก็เริ่มต้นอาทิตย์ละวันอย่างนี้แหละไม่มีใครไปอยู่วัดกันทันทีทันใดหรอกเพราะว่ามันยากที่จะไปอยู่วัดได้ก็ต้องฝืนกันบังคับใจกันวันหนึ่งสละความสุขทางร่างกายไปสักวันนึงไปทําความสุขทางใจกันสักวันอาทิตย์ละวันก่อนพอยได้ผลก็อาจจะเพิ่มถ้าเห็นว่าดีมีความสุขก็จะเพิ่มเป็นสองวันสาวัน เราจะตัดภารกิจการงานให้น้อยลงถ้าต้องทำงานทุกวันก็อาจจะเปลี่ยนงานไปทำงานแบบอิสระเลือกเวลาทำได้ถ้าเราไม่เที่ยวเราไม่เราไม่ต้องใช้เงินมากที่เราใช้เงินมากไม่ใช่เพื่อเลี้ยงน่างกายนะแต่เพื่อเลี้ยงความอยากกันความอยากนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หรอกแต่ถ้าใช้เลี้ยงน่างกายนี่มีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่บาทก็อยู่ได้ละกินข้าววันละมื้อมันจะสักกี่ตังคนะ์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 ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะต่อไปจะเป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหากันใครต้องการจะกลับก็กลับได้ใครอยากจะอยู่ฟังต่อก็อยู่ได้คนที่ได้แผงพันจบฮะคนที่ได้แผงพันจอ่อไผผ า, าอได้แผงเห <laughs> อได้แผงพันอ่าได้แท้งวันต่าได้ใบเดียวไ่ด้ใบเดียว อ, อยากได้หลายใบยต้องไปปฏิบัติใ <laughs> บเดียวไม่พอหรอกมันต้อง กย่าได้ล่านิ่งมันต้องกี่ใบเนี่ยเรา ไ, ไ, ไปเป็นทุนก่ออาจารย์ครับการระ ง, ง, งับความโกรธนะครับผมว่าถ้าเกิดคิดคิดถึงนรกไว้เยอะๆจะดีไหมครับอาจารย์เมื่อคิดเมื่อโกรธปุ๊บเนี่ยนรกก็ตามมาควบคู่ับความโกรธเลยดีถ้าคิดได้แล้วหยุดได้ก็ดีมันก็จะหยุดเพราะเขาจะขวนรกใช่ไหม<ต>ครับแต่ละ <ๆ S 2> คนก็อาจจะมีอุบายที่ไม่เหมือนกันวิธีไหนที่ทําให้เราหยุดความโกรธได้ก็ดี แต่วิธีที่ดีที่สุก็ต้องหยุดที่เหตุของความโกรธคือความอยากถ้าเราไม่อยากเราไม่โกรธที่เราโกรธเพราะเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นพอเขาไม่ทําเราก็โกรธขึ้นมาใช่ไหมเราก็ปล่อยเขาเสร็จก็อย่าทำอะไรแล้วก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธเราสติต้อมากิดนะแล้วก็คิดต่อไปนี้ต่อไปนี้อย่าไปอยากอะไรใครจะทําอะไรเรื่องของเขาอย่าไปอยากอย่าไปขออะไรจากใครเราจะไม่โกรธ ความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความโกรธความเกลียดอะไรต่างๆมาจากความอยากนะที่เราเกลียดเขาเพราะเขาไม่ทําตามความอยากก็ทางบ้านก็ถ้ามีคําถามก็ทยอยเข้ามาได้คํถาถามจากเปซบุ๊กไลฟ์นะคะจากคุณจุธาราัตน์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 เกลียใครก็ทาให้เขาตายได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรให้เขาข่าตัวตายได้เราก็เก่งเันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเขาอยากจะพูดอะไรเขาพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้ไปทำให้เขาตายสะหน่อยที่เขาข่าตัวตายเพราะเขาไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เมื่อก่อนเขาใช้ร่างกายไปหาความสุขได้จะคิดฆ่าตัวตายพอร่างกายเป็นอมภพอมภาตาเป็นอะไรไป ไม่สามารถหาความสุขได้ใจก็เครียดเลยเพราะความอยากมันเหมือนคนติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพ ย, ยาเนี่ยมันก็ลงแดงตายไปเท่านั้นเองเั้นความตายของเขาเกิดจากการที่เขาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกับเอาซองไว้ในตรงนี้แล้วเอากระดาษมาไว้ตรงนี้ย่าวางบนผ้าอวางไว้เนี่ยวางบน้าก็ไะครับแถืแแต่ถ้าเขาปฏิบัติทำเป็นนั่งสมาธิเป็นเขาไม่ต้องฆ่าตัวตาย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 งั้นเราต้องยืนบนความจริงดูความจริงเราเป็นคนเราไม่ได้เป็นควายไก่เขาว่าเราเป็นควายแล้วก็กูเป็นคนไม่ได้เป็นควายไม่มีเขาเห็นไหมเนี่ย <c oughs> อ่าก็เหมือนกันถ้าเราวิเศษทําให้คนฆ่าตัวตายได้ก็ดีต่อไปเรามีคนอยากจะฆ่าตัวตายเยอะแยะมาจ้างเราเปิดบริการเลยคําถามจากคุณดนยัย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 พอไม่ให้ทรมานมากเกินไปท่า น, นั้นเองแล้วก็ไม่มีใครทำให้ทุกวันใช่ไหมนอกจากว่าคนที่รักกันจริงๆคิดถึงกันจริงๆก็อาจจะใส่บาส่งไปให้ทุกวันแต่ถ้าวันไหนเขาไม่ส่งก็ก็ลำบากก็เป็นเหมือนขอทานอยู่ดงนี้อย่าไปหวังพึ่งเงินพึ่งพ่งบุญจากบุญอุทิศก็มันเป็นบุญเล็กๆน้อยๆไม่มากมายเราสามารถเอาบุญ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 หนูต้องพิจารณาอาการ32ไหมคะมีคนบอกหนูว่าระวังวิปลาสแต่ที่หนูเป็นคือความรู้สึกหนูคือทุกอย่างแค่ปกติของมันอย่างนั้นเองไม่มีคำว่าบุญหรือบาปแต่หนูมีแต่คำว่าหน้าที่และสิ่งที่ควรทำหนูเหมือนคนไร้ความรู้สึกไม่รักไม่โลภมีโกรธบ้างนานๆครั้งแต่แวบเดียวก็หายเป็นความเฉยมากๆ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 มันก็มีกระโหลกศีรษะดีๆนี่แต่แเราลอมองไม่เห็นกันก็ไปหลงรักกระโหลกศีรษะกั น, นแต่พอตายขึ้นมาพอกระโหลกศีรษะนี่กลัวกันหวาดกลัวกันนะแต่นอนกับมันดูกับมันมาตลอดเวลาเพ่งดูกระจกทุกวันก็ดูกระโหลกศะนะีรษะแต่มองไม่เห็นเห็นแต่หนังที่หุ้มกระโหลกศีรษะเราก็เลยหลงรักทั้งตัวเราห ล, ลงรักคนอื่นไปด้วย แต่ถ้าเราเห็นกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้ผิวหน้าเขาเนี่เราก็จะไม่หลงรักเขาหรือเห็นโครงกระดูกทั้งล่างนี้หรือเห็นบอดหัวใจตับไตลำไส้นี่เราไม่เห็นกันแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยปัญญาด้วยการนึกด้วยการคิดอยู่เรื่อยๆตอนต้นก็ไปดูภาพของถ้าเราไม่เห็นภาพเราก็ไปดูภาพสมัยนี้ง่ายจะตายภาพถ่ายก็มีภาพวาดก็มี เขานักศึกษาแพทย์นี่หรืออยากจะดูของจริงก็ไปดูเขาผ่าศพกันก็ได้มีผ่าศพที่โรงพยาบาลกันเนี่ยเขาไปขอดูได้เขาให้ดูถ้าอยากจะดูของจริงดูแล้วถ่ายภาพมาเนี่ยชอบถ่ายไอโฟนเซลฟี่กันเนี่ย <c oughs> เราไปเซลฟี่กับศพดู <c oughs> <c oughs> เขาเป็นอนาคตของเราเราเป็นอดีตของเขาไปเซลฟี่กันทนี่ไหนเออเราจะได้นั่งเพ่งดูบ่อยๆเขากับเราไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย แล้วต่อไปมันเห็นใครก็จะเห็นทั้ง32อาการแล้วใครจะมาหลอกว่าเป็นดาราภา พ, พยนต์เป็นนางงามจากกักรวาลนี่ก็หลอกเราไม่ได้ละหลอกได้แต่พวกที่หูหนกตาบอดพวกที่มองแต่เห็นแต่ข้างนอกมองไม่เห็นข้างในท่านบอกปัญญานี่มันสว่างกว่าแสงสว่างองีกแสงสว่างนี้แสงอาทิตย์มันยังไม่สามารถมองทะลุร่างกายได้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 ปสวอกปั ส, ว, ปสวะอะไรมันอยู่ในร่างกายนี้หมดมีหมดทุกอย่างอันนี้จะเห็นได้ด้วยปัญญาปัญญาก็จะต้องพิจารณานึกอยู่บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆคิดจนไม่ลืมคิดจนจําได้ตลอดเวลาเหมือเราท่องสูตรคู่นี้ท่องอย่าท่องมันจําได้เลยพอเห็นนะเห็นใครปั๊บเห็นสามสิบสองไปเลยเห็นทะลุเข้าไปเลยถ้าเห็นทะลุแล้วมันไม่มีความความอยากที่จะไปรักใครนี่ไม่มีแล้ว แล้วความอยากจะไปยึดติดก็ไม่มีถ้าเราเห็นความตายตลอดเวลาเห็นความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาพอเห็นร่างกายใครเห็นตั้งแต่เกิดจนตายเลยเห็น <y enge> ตั้งแต่ตอนที่ออกมาจากท้องแม่ออกมารพิจารณาร่างกายถ้าชำนาญแล้วต่อไปมันจะเห็นตั้งแต่ต้นจนจ น, จนถึงปลายเลยเห็นตั้งแต่คลอดออกมาจะนั่งถึงไปนอนอยู่ในโรงเนี่ยเหลือกายเป็นขี้เท่าขี้เถ่าขี้เท่าขี้ถานไปรอยงรังคารกันเลยเนี่ยเราต้องพิจารณาแบบนี้เรื่องของร่างกาย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 ถ้าเราติดอะไรเราต้องพิจารณาปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดไม่ต้องไปอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราถ้าเรามีความว่างมีความสงบนี่พอแล้วดีที่สุดแล้วลองไปพิจารณาดูนะคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณวรัชยานะครับคำว่า mental absorption หมายความถึงความสงบระดับไหนบ้างเจ้าคะ ก็มีหลายระดับไงแปลคําว่า mental option นี้ก็แปลมาจากคําว่าฌานฌานนี้ก็มี8 8ระดับด้วยกันมีแบ่งเป็น2 ส, ส่วนรูปฌานกับรูปฌปานรูปฌปานก็มี4รูปฌปานที่1ที่2ที่3ที่4แล้วลึกเข้าไปกันนั้นก็เรียกว่าอารูปฌานาก็มีอีก4เรายังมีอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าสัญญาเวดิตะนิโรดนิโรตสมาบัติ คือความสงบของจิตนันมีหลายระดับสงบเทละเล็กเทาน้อยก็ระดับหนึ่งเหมือนเกียร์รถยนต์ที่เราขับเนี่ยเวลาเข้าเกียร์หนึ่งมันก็วิ่งได้ประมาณ 30- 40ิบโลก็ต้องเปลี่ยนเกียร์สมันถึงจะวิ่งได้เร็วขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆจิตมันก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นตอนถ้าเข้าชานแรกมันก็มีอยู่คุณสมบัติอยู่5ประการมั้งมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุข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 พระเจ้าบอกแค่ขั้นรูปประชานสีก็พอขั้นอัปปนาสมาธิก็พอมีกําลังพอที่จะเอาไปใช้ในการต่อสู้กับความอยากต่างๆได้เห็นพี่วรัตยาเขาแจ้งมาครับว่าเขาทําตามที่พระอาจารย์แนะนําตอนนี้ก็นั่งสมาธิทีละหชั่วโมงตามที่พระอาจารย์แนะนําก็พยายามทําไปเรื่อยๆนี่การเข้าชานี้บางทีมันเข้าแบบพวดพลาดมันอยาก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 องค์กนหายไปหมดแล้วถามใครก็ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่เขาก็สอนได้แค่ขั้นแค่ขั้นฌานเท่า น, นั้นเองขั้นสมาธิไม่มีใครรู้ขั้นวิปัสสนากันไม่มีใครรู้อริยสัจ4ี่กันท่านก็เลยต้องค้นคว้าหาด้วยตัวเองเพราะท่านอยากจะหลุดพ้นเมื่อไม่มีใครสอนก็ต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องค้นด้วยตัวเองลองผิดลองถูกเน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 อันนี้ต้องคนคว้าเองมันยากกว่าเยอะแตไ่ไม่มีทางมันไม่มีทางเลือกก็ยังไงสาหรับพระพุทธเจ้าไม่มีทางเลือกแต่สําหรับพวกเรานี้มีทางเลือกแล้วมีคนขับรถเก๋งรถเบนซ์มารับให้ขึ้นนั่งสบายไปถึงกรุงเทพไม่ไปกันกูจะขอเดินอย่างเดียว <laughs> ไปเลยที่ <laughs> อยากจะเดินก็เดินไป <laughs> รู้จะว่ายอย่างไง <laughs> <laughs> พูดได้เห็นุด้วยผลยังหาว่าเราอยากจะ <laughs> ไม่ถือพุทธภูมิอีก <laughs> มันถึงที่เดียวกันถึงนิพพานเหมือนกันอมันไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ทางสมมติคือมันฟังแล้วมันไม่มันสู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสาวกนี่มือนเป็นเหมือนลวกน้องเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นเจ้านายมันนั่นก็กีเลสอ่ะติดยึดติดในอัตตาตัวตนเราต้องใหญ่เราต้องยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเี่ยต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องมือของกิเลสไปอ่ะ คำถามจากคุณกันนภัสนะครับมีคนเคยบอกว่าหากถวายอัตถบริขารแด่พระสงฆ์จะส่งผลให้ผู้ถวายได้มีโอกาสบวชในพระพุทธศาสนาในชาติต่อไปจริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอกการจะบวชต่อไปก็ต้องสนใจปฏิบัติธรรมนั้นนะ่ะสนใจถือศีลแปถึงจะไปบวชได้คนที่บวชกันส่วนใหญ่นี้เขามีความสงบกันเขาได้พบความสุขที่เกิดจากความสงบกัน แล้วก็เห็นว่าความสุขที่ได้จากการเป็นค า, า, ารว่านี้มันวุ่นวายหนอะไปบวช ด, ดีกว่าเขาก็จะไปบวชกันยันถ้าอยากจะบวชไปนั่งสมาธิดีกว่าไปนั่งสมาธิไปรักษาสินแปดแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ได้บวชแ น, น่แน่เวลาชาติหน้าไอ้พวกนี้ชอบชอบชอบโยนไปเรื่อยๆตอนนี้ขอไปกับกิเลสก่อน เป็นผู้หญิงไงเราปอาจานบวช <ฮะ S 1> ไม่ได้เนี้ยก็บวชคาว่าบวชไม่ไหนความก็ต้องต้องบวชพระบวชชีไหนบวชที่ใจฮถือศีลแปดนี่ก็เป็นบวชแล้วเป็นนักบวชแล้วคําถามจากคุณบีนะครับถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีสถานที่แปลว่าวิมานก็ไม่มีเหรอคะคําว่าวิมานมัาจากไหนนะคําวิมานนี่เป็นภาษาที่เราใช้หมายถึงที่อยู่อาศัยใช่ไหเอ่า ก็เน่ก็ใจเราไงความสุขมากขึ้นข้นชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆไงก็เรานี่แหละเป็นเทวดาน่แหละใจที่เราอยู่สวรรค์นี่ก็เป็นเทวดาใจก็เราก็เรียกใจเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็คือมีความสุขในใจระดับนั้นระดับนี้ระดับ5้าดาวแบบอยู่โรงแรม5ดาวเงี้ยกับโรงแรมสี่ดาวว่าจเท้าเท้ากะเท้าอะไรอย่างเี้อนั่นแหละอ่าก็ใจดวงเดียวนี่แหละ อ่าไม่ใช่ครับก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเห็นพระพุทธเจ้าท่านท่านพูดว่าสันหลาบมีเทวดาท่านนั้นอยู่ชั้นนั้นท่านนั้นอยู่ชั้นไหนก็นั่นแหะชั้นนั้นก็อยู่ชั้นในใจเขาไงก็้าใจไหมใจเขามีหลายชั้นความสุขในใจของเราเนี่มีหลายชั้นชั้นห้าชั้นระดับโรงแรมห้าดาวก็มีสี่ดาวก็มีสามดาวก็มีสองดาวก็มีหนึ่งดาวก็มี ่เวลาคุณทําบุญร้อยบาทกับคุณทําบุญแสนหนึ่งเนี่ยความสุขอันไหนจะมากกว่ากันอะพอทำแสนหนึ่งความสุขมันขึ้นไประดับชั้นสูงกว่าลาานะ้วเข้าใจไหมมันมันอยู่ในใจเรานี่แหละใจเรานี่มันเหมือนคอนโดเราขึ้นลงขึ้นลงในใจเรานี่แหละถ้าทําบุญมันก็ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงมากความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทําบาปความสุขก็น้อยลงความทุกข์ก็มากขึ้นลงไปเรื่อยๆ <c oughs> มันมีในใจเรามันไม่ได้เป็นสถานที่เพราะ แบบหเขาไม่มีหรอกเขาไปเขาไปเขียนมาวาดมาให yeah. ้เราเห็นท่านเองไอแบบเตจที่มีหางยาวมีเที่ยวมีอะไรไม่มีหรอกเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกสมมุติสมมุติวาดภาพให้เราเห็นท่านอะไรแล้วเทวดาที่มาฟังธรรมค่ะอาจารย์ก็ฟังธรรมงั้นเขาก็เขาก็มาฟังด้วยจิตของเขาเหมือนเราเนี่ยเราก็มาฟังด้วยจิตของเราเอแต่ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างหรอกอ ท่านนี้พยาวะ ส, สัตยปดีที่ว่าเป็นพยามาณที่ไปรบกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจา้าท่านจะตัดสรู้เนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ในใจของพระเจ้าพุทธเจ้าเองก็ <ะ S 1> <ล>มันมีอยู่ในใจคืากิเลสสมาเนี่แหละตัวตันหาความอยากนี่ยสามตัวเนี้ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานี้เราเรามันชินกับการเห็นภาพว่าเป็นคนมีรูปมีร่างเขาก็เลยต้องวาดรูปวาดล่างให้เราเห็นเหมือนกับเราสอนเด็กเนี่ยต้องวาดรูปการ์ตูนใช่ไหมถ้าไปสอนบอกไอติม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 แล้ก็มาเล่าว่าเขาเพิ่งตายจากการเป็นเป็นหมูป่ามาถูกพานเขาดักยิงตายไปแล้วพรุ่งนี้พานก็จะกงยาวเนื้อหมูป่านี้มาถวายแม่ชีก็อยากจะให้แม่ชีรับเขาขอได้บุญส่วนนี้ถ้าแม่ชีรับเนี่ยเขาจะขอถวายเป็นทานเพื่อเขาจะได้ไปต่อที่ดีมีบุญติดตัวไปอันนี้เขาก็มาแบบมีรูปร่างให้เห็น หลือหลวงปู่มั่นเคิืนที่หลวงปู่มั่นตายไปแม่ชีนี้ท่านก็รู้ก่อนคนอื่นคนในบู่บ้านนี้ไม่รู้เพราะอยู่กันคนละที่อยู่คนละอำเภอหลวงปู่มั่นท่านตายอยู่ที่ในอำเภอเมืองแม่ชีอยู่นะอีกอำเภอหนึ่งแล้วแม่ชีก็กะจะไปกราบหลวงปู่ ว, วันในวันลุ่งขึ้นพอดีแต่คืนนั้นขณะที่นั่งสมาธิหลวงปู่มั่นก็เพิ่งตายไปแล้วหลวงปู่มั่นก็เข้ามาในสมาธิบอกเธอไม่ต้องไปหาเราหรอกเราตายแล้ว ร่างใบก็เจอเจอแต่แต่ร่างกายของเราไม่เจอตัวเราแล้วเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วเราตายแล้วแม่ชีแกรู้ล่วงหน้าก่อนคนอื่นอันนี้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าแกเห็นหน้าตาของหลวงปู่รูป้ป่ะเวลาในะอยู่ในสมาธิซึ่งเราคิดว่าเห็นเพราะว่าเราในสมาธินี้จิตเราสามารถที่จะเรียกอะไรนะสร้างภาพขึ้นมาได้เวลานอนหลับตาเราฝันนี่เราเห็นอะไรที่ดืมตาไม่เห็นในชะ่ไหม แต่เรากลับเห็นเวลาเราตับเราหลับตาใช่ไหมเราเห็นได้ยังไงก็เห็นจากจิตของเราเนี่ยจิตของเราเป็นตัวสร้างภาพต่างๆให้เราเห็นเรานึกถึงขนมมันก็โผล่ขึ้นมาเรานึกถึงแฟนแฟ น, แฟนมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาให้เราเห็นอาศัยภาพที่เกิดจากความจำของเราในอดีตอ๋อยังเข้าใจยังเมื่อกี้ตอบคำถามได้ใช่ไหมที่เรื่องวิมานัยเนี่ย ต, ตอบนะครับ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 แล้วลึกเข้าไปค่้เพลงวิญญาณไปมันมีหลายขั้นต้องไปอ่านในหนังสือเน่ยเขจะบอกแต่มันสำหรับการปฏิบัติเพื่อวิปัสสนานี้ไม่ต้องไปถึงขั้นอรูปฌปานขั้นถึงแค่ฌานสี่ก็พอได้อัปปนาสมาธิได้อุเบกขาเราต้องการอุเบกขาเพราะอุเบกขานี่จะสู้กับกิเลสได้แต่เราไม่อุเบกขาจะเฉยใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะเอาเพชรมาให้ดูก็เฉย ใครจะเอาภาพสวยๆรูปหลอ่อรูปสวยมาดูก็เฉยมันจะไม่มีอารมณ์ถ้าใจมันมีโอเบขา ค, คำถามจะคุณแค่หลับตาถ้าไม่ละกิเลสแล้วฝึกสมาธิจะได้ผลไหมครับคือมันเรื่องของการละกิเลสมันต้องละด้วยการมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิก็ละไม่ได้แต่ถ้านั่งสมาธิเพื่อไม่ละกิเลส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 เวลาขั้นน้ําของมันก็ต้องไม่ให้มีกากไม่ให้มีเนื้อติดต้องกองเนื้อกองกากทิ้งไปเอาแต่น้ํำล้วนๆเพราะถ้าไม่ต้องการให้กินอิ่มกัเนเ่ยกินเพื่อบรรเทาความโหยหน่อยเท่านั้นเองกินเป็นยาแต่เรามักจะกินเป็นยาแก้ความหิวกันมากกว่าอวามจริงไม่ต้องกินก็ได้หรอกน้ําปานาะท่านเป็นคนปฏิบัติธรรมกันจริงๆกินข้าวมื้อเดียวเสร็จก็จบนอกนั้น ก, ก็กินแต่น้ําเปล่าถ้าที่เขาไปทุดงในป่านี่ไม่มีน้ําปลานกปลานะก็ลรอ อย่างมากก็ต้มน้าร้อน <c oughs> ต้มต้มต้มแก่นไม้เป็นกินเป็นยาไปท่านอะไรคาถามจะาคุณพิไลพรถ้าฝากเขาไปทําบุญและโอนเงินเข้าบัญชีทําบุญจะได้บุญมากน้อยต่างกับเราไปทําเองไหมคะไม่ต่างกันะมันอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราบริจาคไปอาจจะต่างแค่หนึ่งเปอร์เซนต์เถ้าเราไปเองเราอาจจะได้อีกหนึ่งเปอร์เ จากการที่เรามีความเพียรที่จะไปแล้วได้อีกอย่างก็คือได้ของแถมกลับมาไปเองอาจจะได้ไปฟังเทศฟังธรรมไปเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดมีมีความปิติเห็นอะไรสิ่งที่ดีที่งามก็ได้แต่ถ้าไม่ไปก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมคำถามจะคุณเพนพันมีวิธีแก้ความเบื่อหน่าย อให้ท่องพุโทโธดีคะนั่นแหละท่องพุโทโธไปเนี่ยพอจิตสงบแล้วความเบื่อหน่ายจะหายไปความเบื่อหน่ายเกิดจากความอยากได้ของใหม่ๆพอเจอของเก่าๆจำเจก็เบื่อใช่ไหมใหม่ๆ ห, หน้าตาจุมจ๋มจิ <c> ๋ม <oughs> พอเก่าก็เป็นสนิมเลยต้องไปเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อย <c oughs> ต้องไปเปลี่ยนของใหม่ <c oughs> ไปเรือ่อยแต่ที่ <c oughs> ของเก่าก้ม็มันเบื่อ นี่คือนิสัยของความอยากมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเบื่อของเก่าอยากจะได้ของใหม่วิธีแก้ก็คือทำใจให้สงบใจสงบแล้วความเบื่อความอยากก็จะหายไปวิธีสู้กับความโกรธจากคำพูดของผู้อื่นครับอาจารย์ทาอย่างไรครับก็อย่าไปอยากให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ปล่อยก็พูดตามอัธยาศัยไปฟังไปเหมือนเสียงหมาเห่าก็แล้วกันหมาเห่าเราไปสั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้ห้ามมันก็ไม่ได้ มันอยากจะเห่าก็ปล่อยมันเห่าไปให้คิดอย่างนี้ก็ได้ว่าดีแล้วเ็าเพียงแต่เพียงแต่พูดเขาไม่ตีเราก็ดีแล้วปล่อยเขาพูดไปปล่อยเขาด่าไปเอาหน้ามา อ, าอีกพันหนึ่งนะค <laughs> <laughs> ำถามจกคุลสุรีนะครับโสดมนนั่งสมาธิแล้วจําเป็นต้องแผ่เมตตาทุกครั้งไหมคะ ไม่แผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เจอคนตอนที่อยู่คนเดียวไปแผ่ให้ใครเราแผ่เมตตาหมายถึงเวลาเจอใครยิ้มให้เขาเนี่ยแผ่เมตตาแล้วไม่ใช่เจอกันก็น่าบื้อตึงใส่กันให้เราแผ่เมตตาที่เราสวนนี้เป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาเราเจอคนเจอกันอย่าหน้าบื้อตึงใส่กันให้รักกันให้มีความปรารถนาดีต่อกันมีอะไรก็แบ่งปันกันนี่เรียกว่าแผ่เมตตา แต่เราต้องสวดต้องสอนแล้วก่อนไมะงั้นเดี๋ยวเราจะลืมตอนน้สัยเราถ้าไม่สอนมันจะไม่ชอบแผ่เมตตามันชอบยากเคี้ยวใส่กันงั้นต้องสอนเดี่ยวนี้เราเวลาใส่บาทเรามักจะสอนเด็กยิ้มหน่อยสิหนูยิ้มหน่อยอยิ้มแล้วหนูจะมีความสุขมีเด็กคนหนึ่งมันเบิ่งมานุ่งนานตอนนี้มันเริ่มยิ้มแล้ว <laughs> <c oughs> การยิ้มให้กันก็แสดงเราแผ่เมตตา ก็แสดงว่าเรามีไมตรีจิตนะเนี่ยคนที่หน้าเบื่อเฉยๆนี่เขาไม่รู้ว่าไอ้คนนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันแน่วะ่นะแต่พอยิ้มปป๊บเออรู้แล้วเ่าเขาเขาเป็นมิตรกับเราคำถามจะคุณประมวลนะครับวันนั้นไปนอนที่กุฏิที่พระจัดให้พอดีในกุฏินั้นมีรูปคนตายอยู่สามคนก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิ แต่มีความรู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่ตรงหน้าค่ะเป็นอะไรคะแต่ไม่กลัวแถมเมตตาให้เป็นอุปทานไงรูปก็ไม่ใช่รูปคนตายรูปคนเป็นใช่ไหมเขาต่ายคนเป็นแค่เราไปคิดว่าเขาตายแล้วความจริงก็เป็นรูปคนเป็นทั้งนั้นเขาถ่ายรูปคนตายมาให้ดูรอเปล่าเราไปอุปทานคิดเองพอความนี่เป็นคนตายปั๊บเนี่ยจิตมันก็คิดว่าเป็นผีขึ้นมานะ แต่เวลาเรามองหน้าแฟนเราทำให้ไม่ได้กวาม เ, าเป็นผีมากนะเดี๋ยวก็ต้องตายเหมือนกันพอ เ, เขาตายแล้วยังอยากจะเก็บเขาไว้ในบ้านเขาบ่าคำถามจากคุณสิริวัล น, นะครับยายอายุเก้าสิบหกอยู่กับน้าท่านบอกว่าท่านจะไปสวรรค์กันให้ท่านนึกถึงพระท่านไม่นึกค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ท่านมีแรงท่านทำแต่งาน พอตอนนี้บั้นปลายแล้วไม่ทราบว่าจะหาอุบายอะไรให้ท่านไปทางที่ดีเออไม่ต้องไปสอนท่านหรอกท่านแจกาเราท่านรู้โลกมากกว่าเราท่านอยู่ของท่านมาได้เก้าสิบหกปีเราอยู่แบบท่านให้ได้ก่อน <c oughs> <c oughs> โอไ้ไปยุ่งเหรอปรมาจารย์ทำไมคำถามจากคุณพิไลพร เท้าสกะเทวราชมีกี่องค์ครับเคยได้ยินหลวงตาเทศว่าจะมาขอฟังท่านหลวงตาไปไปไว้บูชาขอฟันท่านหลวงตาไปไว้บูชาอ่าก็ไม่รู้แหละ อ, อันนี้เาลองไปค้นดูในก o เกิลดูกันนะ <c oughs> ก็บอกคนที่เขามีพลังจิตเขาติดต่ อ, อกับเทวดาได้ อ, อย่างพระพุทธเจา้าก็ติดต่อกับเทวดาแสดงธรรมให้เทวดาฟังสอนท่าธรรมกันได้ ถ้าเป็นของจริงนะถ้าเป็นแบบที่เราคิดไปเองนี่มันยังไม่ได้เป็นของจริงฝันว่ามีเทวดามาหาเราอย่างนี้มันไม่มได้เป็นของจริงเราฝันไปเองเราคิดไปเองแต่ถ้าฝันได้ต้องคุยกันได้ถามอาสาเราทุกสุขดิบได้คำถามจากคุณดนัยนะครับถ้าทำบุญด้วยเงินมากกับเงินน้อยได้บุญต่างกันหรือครับถ้าเช่นนั้น คนรวยก็จะมีโอกาสได้บุญมากกว่าคนจนตลอดใช่ไหมคไม่ใช่แล้พูดถึงคนคนเดียวกันเราคนเดียวเนี่ยถ้าเราทําิบบาทกับทำร้อยบาทเนี่ยทำร้อยบาทมันได้บุญมากกว่าทำสิบบาทเข้าใจไหมแต่สองคนนี้อีกคนหนึ่งเข้าทำสิบบาทเราทำร้อยบาทคนทำสิบบาทอาจจะได้บุญมากกว่าคนทำร้อยบาทก็ได้เพราะอะไรเพราะคนทําิบบาทมีแค่10บาททําหมดเลยคนทำร้อยบาทมีต้องแสนหนึ่งทำร้อยบาทมันก็ยังไม่หมด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 เขาก็ได้ไปบวชได้ไปปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นได้แต่คนที่ทำพันอย่งแต่มีเงินล้านอย่างนี้มันมรู้สึกอะไรเวลาคนมีเงินล้านแล้วทำเงนินทาบุญแค่พันบาทมันก็รู้สึกไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกอิ่มใจอะไรทลรเพราะมันไม่ได้เสียมากดังนั้นมันมีหลายมุมมองในเรื่องของการทาบุญนะถ้าในคนคนเดียวกันเนี่ยถ้าทำมากมันก็ได้มากกว่าเหมือนกินข้าวอะ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 เราถึงจะได้บุญเท่ากับเราที่เรากินจานเดียวได้ความอิ่มจักที่เรากินจานเดียวกันแต่ในแง่ของวัตถุทานที่จะได้รับกลับคืนมาครับอาจารย์อัตถนพันหนึ่งก็จะได้พันหนึ่งสิบบาทก็ได้สิบาวกดอกเบีย้ยนมัจะได้เหมาการาที่เราทําไปเวลารกลับมาเกิดใหม่เนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยด้วยเพราะกราจะมากลับมาเกิดมันต้องหลายร้อยปีเนะี่ยคิดดูดอกเบีย้ยจะมากกว่าต้นกันนะเพียง แ, แค่ว่าคนที่ทําบุญน้อยกว่าอาจจะมีความสุขมากกว่า ได้ใช่เพราะเขามีเขาเขาเสียสละมากกว่าไงอยู่ที่แล้วคนที่ไม่กลับมาเกิดอะคะก็ไม่ต้องใช้มันไม่ได้บุญดีกว่าไงได้นิพพานได้ความสุขที่ดีกว่าเป็นบุญที่ถาวรบุญที่ทำไปก็สายเกิดก็ไม่หายมัส่งเราไปสวรรค์เราส่งไปนิพพานอ่งเราไปนิพพานเป็นเหมือนเป็นซื้อตั๋วโรบินไปนิพพานแทนคําถามจากคุณทิตยานะครับ ในกรณีที่ถือศีล8ในชีวิตคารวาะต้องออกไปทํางานทุกเช้าถ้าจําเป็นต้องแต่งตัวออกไปทํางานตามปกติลูกแต่งชุดทํางานตามปกติเสร็จแล้วจึงสมาทานศีล8วันทั้งวันก็ถือศีล8ครบในวงเล็บคิดว่าครบค่ะทําอย่างนี้ถือว่าบาปไหมคะอ๋อการถือศีลไม่บาปแ ล, แล้วการไม่ได้ถือศีลแปดก็ไม่ได้บาปถ้าไม่ได้เกี่ยวกับศีลห้า ถ้าไม่ฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดประเวณีพูดปดหนึ่งสละนี้ไม่ไม่บาปจริงแต่ว่าไม่สามารถรักษาสิ่ที่ละเอียดกว่าสินห้าได้เช่นการไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่ยามาเล่นแบบเออเออีธนาชัยคือตอนที่ตอนที่จะถือสินแปดก็แต่งเนื้อแต่งตัว <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาสมาทานที่หลังนี <c> ่ <oughs> ไม่ได้รมันไม่ใช่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 ถวายของให้พระควรถวายสองมือหรือมือเดียวครับก็ส่วนใหญ่จะนิยมถวายสองมือขออนุญาตหน่อยนะครับอาจารย์พอดีว่ามีผู้ต้องการถามคําถา ม, ถา ม, ามครับเนี่ยครับถามได้เลยครับอยากให้ถามหนึ่<อ>งถามต่ออนุาตอยากทราบว่าเาตัณหาอสวะค์พวกนี้ยมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะจกมันได้ยังไงถึงจะเข้านิพพานได้ไคือ มันก็เป็นเป็นชื่อที่เราเรียกในสิ่งเรื่องเดียวกันเนะ่เพียงแต่ว่าเราบางทีเราก็เรียกชื่อนี้บางเหมือนคนเราเนะี่ยมีหลายชื่อชื่อเล่นก็มีชื่อเต็มก็มีชื่อชื่อตามตำแหน่งก็มีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์บางทีเป็นเพื่อนกันเราก็เรียกชื่อเล่นกันเวลาคนไม่รู้จักกันเราก็เรียกชื่อชื่อชื่อจริงของเขาอะไรเงี้ย กิเลสเป็นก็มีหลายชื่อบางทีเราก็เรียกโลภโกรธหลงบางทีเราก็เรียกตัณหาบางทีเราก็เรียกว่าอาสวะมันก็พวกเดียวกัน อ, อ่าที่เราจะต้องกำจัดมันให้หมดไปจากใจของเราด้วยการ ท, าทด้วยการสมาธิจเจริญปัญญานี่แหละแล้วก็จะกำจัดมันได้หมดมีใครอยากจะถามในทางนี้ไม่มีมีไหม คำถามจากคุณนายขนมต้มนะครับก็ผมพิจารณาขัน5้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าไม่เที่ยงแต่ผมยังไม่เข้าใจอย่างทองแท้คือคำว่าวิญญาณวิญญาณกับคำว่าดวงจิตหรือจิตใจนี่อันเดียวกันไหมครับมันมีสองชื่อไงอย่างที่บอกวิญญาณ น, นี่มีสองชนิดด้วยกันวิญญาณที่มาทำหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็วิญญาณ ในขันเขาเรียกวิญญาณในขันในเป็นนามขันจิตนี้มีขันตัวจิตตัวรู้เนี่ยมันจะมีขันอยู่สีขันขันก็คือตัวที่ทําหน้าที่ให้กับจิตเช่นวิญญาณก็เป็นตัวทําหน้าที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายมาถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะไม่สามารถรูปลูกรู้กลิ่นรูปลูกรสได้ต้องมีตัวนี้ไปรับไปเชื่อมกับร่างกาย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 ที่มันฟังแล้วมันไม่มันไม่มันไม่สนอหูเลยก็เลยเปลี่ยนเนี่ยเอาเรียกชื่อท่านดีกว่าแต่โบราณเ้าคงจะเรียกในโกรดกันแต่สมัยใหม่เราฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่น่าฟังใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนแล้วเรียกเรียกเป็นชื่อของท่านไปจะได้รู้ว่าเราพูดถึงในหลวงคนไหนพอรู้สึกว่าตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมเนี่ยพอในหลวงตายปั๊บนี่ยเขาจะต้องมีในหลวงใหม่ขึ้นมาทันทีเลยคงกลัวซ้ํากันนะครับเรียกซ้ําเป็นต่อใช่ใช่ แล้วก็เลยต้องต้องเปลี่ยนชื่อในหลวงเก่าไปว่าเป็นในหลวงอยู่ในโกรธแล้วเนอะในหลวงใหม่ไม่ได้อยู่ในโกรธก็เปลี่ยนชื่อเวลาที่เรามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณอันนี้มีวิญญาณสองชนิดนะฮะวิญญาณที่เวลาไม่มีร่างกายจิตไม่มีร่างกายเรียกวิญญาณเวลาที่มีร่างกายก็มีวิญญาณที่ไปรับรู้รูปเสียงกิจรสอันนี้ก็เป็นวิญญาณอีกชนิดอีกตัวตัวกันก็ตดวอย่างกัน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 มันจะมีอย่างต่อเนื่องธรรมที่เปอยู่ในสมโพนนี้เป็นธรรมที่เรียกว่าธรรมอัตโนมัติแล้วสติธรรมสมาธิธรรมวิริยะธรรมเป็นธรรมที่มันมีกําลังในตัวของมันเองแล้วมันไปของมันเองแล้วแต่เวลาเราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆธรรมเหล่านี้ยังเป็นธรรมแบบล้มลุกคุกคานอยู่วิริยะก็ล้มลุกคุกคานบางวันก็ขยนันบางวันก็ขี้เกียจสมาธิ บ, บางวันก็สงบบางวันก็ฟุง้งซ่านยอันนี้จะเรียกว่ายังไม่เป็น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 คำถามจะคุณยานิสานะครับอุทิศบุญให้คนตายแค่นึกถึงก็ได้แล้วใช่ไหมครับก็ต้องทําบุญก่อนถ้าไม่ทําบุนจะไป น, นึกยังไงเลยก็ทําแล้วก็นึกได้อแต่ไม่ต้องใช้น้ําอย่างนี้ใช่น้ําไม่เกี่ยวเองแต่ว่าคนไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างของบุญว่าเวลาอุทิศบุญก็เหมือนเทน้ํากระแสน้ําก็เป็นกระแสบุญไปนั่นเอง ในเวลากวดน้ำไม่ต้องกวดน้ำเขาเรียกกวดแห้งกันใช่ไหมกวดแห้งไม่มีน้ำก็กวดได้บุทิศบุญไปพอเราทําทรายบาสเสร็จปับ๊บเราก็นั่งจิตอธิษฐานไปว่าเขาทิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะรับไปต้องไก่อเอ่ยชื่อเขานะเพราะม่เหมือนการเขียนเช็คอะถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาเอาไปเบิกไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวคนหนึ่งมารับไปก่อนเดี๋ยวเปรตตัวอื่นมารับไปก่อนได้มาแย่งไปได้ การอุทิศบุญถ้าอุทิศบุญนะ่ในอาการของสมาธิจะรุนแรงกว่าไหมครับพระอาจารย์หรือไม่เหมือนไม่ต่างกันครับอาจารย์โ อ, อเป็นความสุขเหมือนกันสมา ธ, ธิก็เป็นความสุขน่าจะเป็นความสุขที่ดีกว่าบุญจากการทําทานเพียงแต่ว่าเราจะมีหรือเปล่าเท่านั้นน่ะนั่งๆกันเนี่ยมันจิตมันวม ร, ปปมมรวมหรือเปล่าถ้าจตมันไม่รวมมันไม่มันยังไม่ได้บุญอ๋ อ, อ, อหมายความาว่าอุทิศบุญตัวเดียวกันครับพระอาจารย์แต่ว่าอุทิศนี่ย อ่าจากที่แค่กล่าวกับเามานั่นเฉย<ช>ๆก่อนแล้วก็แผ่โอทิ ต, ตก็ไม่รู้แหละถ้ามันจิตสงบมันก็จะแผ่ได้เต็มที่กว่ามั้งถ้าจิตไม่สงบมันอาจจะมีของแถมที่ไม่ <c oughs> เขาไม่อยากได้ไปเ <c oughs> อาลอ่ะเนียบมเสียติดไปดําถามวันนี้หมดครับพระอาจารย์เอก็พอดีนะม<ช>ีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีนะอะอย่างนั้นก็พอสมควรแก่เวลานะ ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ